จะ سوفتعلمون.أمأنزلنا عليهم سلطانا.أمأنزلنا عليهم سلطانا.فهو يتكلم بما كانوا به ي ش و ن ه و يتكلم بما كانوا به ي ش ك و ن وَإِذَا أَذَقْنَا نَاسَ رَحْمَةً َُِ و ا بِهَا وَإِذَا أَذَقْنَا نَاسَ رَحْمَةً ف َ ر ح ُ و ا بِهَا و َ س ِ ي َ ب َ و ْ م ْ س َ ي َّْ ت ُ و ن َِ م َ ا قَدَامَتْ أ َ ي ْ د ِ ي ه ِ م ْ إ ِ ذ َّ ا هُمْ يَقْنَطُونَ إ ِ ذ َ ا هُمْ يَقْنَطُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ن ح มั ه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ع م ا ل ن ا ما يهده الله فلا مضلله وما يضلل فلا هادي له, له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma bika asbahna w b و k a amsayna wbika n a h َ y َ wbika namutu wa ilaika nushur. أعوذ بِكَ لِمَاتِ الْلَّهِ تَمَاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَدُرُّ م َ ع ْ ن َ ه ِ شَيْئٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ا ل س َّ م َ ا و َِ وَهُوَ سَمِيعُ الْعَلِيمُ ร่ ي ิฎ ا و บิลอ ا ลลอฮฺรับบ์และ و ิ ا ل ل ه ามด ن น ل าและบิมุ ب ัมม م ดรั ا ูล ك อัลลอฮ ا ไม่ได้อางุบิค์ไ ع ่นักคสัล ا ละชูอิลคิบรีร ا บบ์อาง ل บิค์ ر ม่นักอาด ب บฟินน พี่น้องที่ร่วมนมาซุบที่บ้านของอัลลอ์ที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการนะครับที่อยู่ที่บ้านทุกๆกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละก่อนอื่นผมขอชุกตรต่ออัลลอ์สุบฮานูวตาลาแล้วก็ให้พวกเราทุกคนเนี่ยนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอ์ุบฮานูวตาลาให้ขอบคุณอัลลอ์ให้ใช้ภาษาที่ท่านนาบีแนะนำนะครับ سبحان الله ا ل ل ه ا ل ل ه الله ا ل م ل ك ا ل لا ل ه ا ل ح د ا ل له ع ل ا كل شيء อ د ي ر ให้ใช้ภาษาเนี้ยชม a l ب ح ใครเป็นผู้กหนดภาษานี้ ภาษานี้อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมดแต่นบีก็นำอามาสอนสุฮับะนะครับเราอยู่ห่างกับท่านนาบีพัน0กว่าปีแต่เราพยายามจะให้ชีวิตของเราเนี่ยโยงกับคำสอนของนบีและนึกถึงบรรดาสุฮับะของท่านนาบีทำไมต้องยึดนบีและยึดสุฮับะเป็นแบบเพราะความสำเร็จท่านนาบีสอนเองนะคนที่จะปลอดภัย ก็คือคนที่ยึดนบีแล้วก็ยึดบรรดาสฮฮา บ, บ่าของท่านนาบีเรียกว่าชาวสลัฟเป็นแบบในการปฏิบัติศาสนาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับพี่น้องเราจะรับความรู้นะจะอากอัลกุรอานที่เราทบทวนมาก็คือว่าศาสนาอิสลามเนี่ยในกุราอานระยะที่เท่าไหร่นะฟิตรตุลลเนี่ยคำนี้เนี่ยนะครับแปลว่าธรรมชาติ แต่ว่าธรรมชาติฟิตรตุลลอธรรมชาติของอัลลอฮ์นั้นอัลลตีฟาร์ฟารอนาซาเลฮะอัลลอฮ์เนี่ยสร้างมนุษย์มาให้อยู่ในธรรมชาติอันนี้อธิบายยังไงอ่ะธรรมชาติหมายถึงอิสลามธรรมชาติอนนี้หมายถึงอิสลามและอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยให้อยู่ในธรรมชาติอันนี้ มุลลาดได้อธิบายว่าธรรมชาติอันนี้หนึ่งหมายถึงอัลอิสลามสองอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ขึ้นมาเป็นเด็กๆเกนี่ยต้องคลอดออกมาจากคันมารดานี่คือพร้อมที่จะรับอัลอิสลามคือเตรียมไม่หมดแล้วหัวใจสมองสติปรรัญญาความคิดนั่นพร้อมที่จะรับอิสลามอยู่แล้วแต่พ่อแม่ตังหากนี่น บ, บีสอนเองนะ f a a b บาว่าห u h a ู i d a าวาพ่อแม่ของเขาทำให้ลูกของเขานั้นไปเป็นยัฮูดีและเป็นนาสรรณีเป็นมายูซีเพราะครอบครัวแต่อัลลอ์เนี่ยสร้างมนุษย์มาแต่ละคนแต่ละคนทั่วโลกนี้นะให้อยู่ในศาสนาอิสลามแล้วก็พร้อมที่จะรับอัลอิสลามไปเป็นทางนำสำหรับชีวิตแต่ครอบครัวของเขา ทำให้ลูกของเขานั้นไม่รู้จักอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ ت ع ا นะครับฉะนั้นฟิตรวตุลลอฮ์กฎธรรมชาติที่อัลลอ์วางไว้ก็คืออัลอิสลามแสดงว่าอิสลามเนี่ยมาคู่กับโลกดุนยาใบนี้มาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนนะครับมนุษย์และสัตว์ที่อัลลอ์สร้างมานี่นะอิสลามก็มา พ, พร้อมกันนั่นแหละเ <laughs> พราะกอานตรงนี้สอนชัดเลยไง ฝ่าอาคิมวัชฮากาลิ ด, ดีนิฮานฝจงผินหน้าจงตั้งหน้านะครับจนให้ความสนใจเอาหน้าของท่านเนี่ยเข้าห า, าศาสนาก่อนาศาสนาอะไรกัฟิตรตัตลอศาสาศนาเดิมของนบีอิบราฮีมอะลัยฮิสสลามนัานคนที่อยู่ในาศาสนาอิสลามเนี่ยเขาอยู่ในาศาสนาของอัลลอ์และเป็นาศาสนาที่อัลลอ์พอใจด้วย แล้วก็สร้างศาสนาอันนี้ให้อิสลามมาเ น, นี่ยพร้อมกับโลกดุนยาใบนี้ด้วยเข้าใจง่ายนะแต่ทำด้วยวลาไม่ยากนะครับเอาต่อมาครับวันนี้มาอายาที่สามสิบสามนะครับซุนไนซุรออ์ลรุมไวอดาะมัซซันซาดุรุนดารบบาวฮุม มุนีบิน إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريقهم منهم إذا فريقهم منهم بربهم يشرقون وَإِذَا مَسَّنَ س َ ا د ُ ر ٌّ دَعَ رَبَّهُمْ مُنِبِينَ إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا ف َ ر ِ ي ق ُ م مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ الحَمْدُ لِلَّهِ พี่น้องเอาเอ า, เอาสับมันไปท่องด้วยนะสับกุรานเอาไปท่องด้วยให้อีิมาเรามันเข้มแข็งขึ้นดูศัพ์แต่ละคําแต่ละคำท่องด้วยนะพี่น้องมาซานี่แปลว่าประสบมาซาเดิมนี่แปลว่าแตะนะทีนี้แปลว่าประสบอมาซ่า ในในในใ น, ในคัมภีร์ุณอ่านไม่เคยพูดสรรพดลเลยนะอย่างก็สามีภรรยานอนร่วมกันก็ใช่มัสซาม่ใช่เป็นยังครับฉะนั้นมัสซาตัวนี้หมายถึงประสบ อ, อะไรประสบครับอันนาแปลว่ามนุษย์ดุรุนแปลว่าความทุกข์โอ้เมื่อมนุษย์เนี่ยหรือเมื่อความทุกข์อันใด มาประสบกับมนุษย์อิลาแปลว่าเมื่อมัสซาแปลว่าประสบอันนาซาแปลว่ามนุษย์ุูรุนแปลว่าความทุกข์อย่างนี้ฝุ่นฝุนฝุน่นอะไรนะคนที่กำลังอยู่ในปัจจุบันนี้ฝุ่นละอองใช่ไหมล่ะสองห้าอะไรพ m มละเอียดเย็บมองดีสายตาไม่เห็นเนี่ยนะ เข้าไปในปอดปอดน่นโอ้อันตรายหมดเลยแต่พี่ต้องรู้ไหมคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นมุหมินที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างจริงจังนะไม่ใช่เล่นๆนะถ้าจะถูกบัลาอันนี้ถูกฟิตนะอันนี้นะแค่เป็นหวัด <c oughs> อันทั้งเดือน ล, ละ <c oughs> แค่เป็นอะไรครับเป็นหวัดแล้วก็ไอแค่นั้นแหละดีใจไหมะนะยู่กับอัลลอฮ์พ่น้องยมอัลลอฮ์ไว้ให้แน่น โยงกับสุนทนาบีโยงกับสวาบานาบีเยอะๆทายาทําตัวให้เรียนแบบนาบีอา้าวนาบีแล้วว่าดูสวาบานาบีท่านอบูบกักเขาอยู่ยังไงท่านไซนาอุมัดคนเหล่านี้เป็นมุอลัลลับรับอิสลามทั้งหมดนะแล้วก็วางตัวยังไงครับอลัลลอฮ์พอใจหมดเลยอะ่ะฉะนั้นคนที่เป็นมุมลินเวลาเจอมุสีบา้านหนักๆนี่นะอย่างเนี้อ่ฝุ่นเนี้ยอันตรายใช่ไหมโอ้โหลงหนังสือพิมพ์ขาวเต็มไปหมดเลยใช่ไหม นบีบอกว่าคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่อร์ลแค่ไอ <c oughs> แล้วก็เป็นไข้เล็กๆในน้อยเท่านั้นเองหลังนั้นก็อินาลิลารอกันไปอ <c oughs> <c oughs> วร า, ามาสนาสวดุรนุนี่ดุรุลแปลว่าความทุกข์นี่ทุกข์นี่มาแล้วสังเกตง่ายเลยนะเมื่อมนุษย์พบกับความทุกข์ล้วเป็นไงครับ ดาโรบบาหุมดอาออรโรบบาหุมดาแปลว่าขอพรอขอดูอาอพวกเขาขอดูอาต่อได้พระผู้อภิบาลของพวกเขาขอแบบไหนครับมูนีบีนาอิลเลยแปลว่าหันสู่อัลลอฮ์อย่างนอบน้อมอัลลอฮ์ตอนนี้เข้าหาอัลลอฮ์กันจังเลยแล้วตอนนี้พอมีปัญหาเดือดร้อนใช่ไหมแต่ก็หลายคนไม่รู้จักอัลลอฮ์ หลายคนรูจ้จักอัลลอฮ์ไหมนะนี่ปัดปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่นี่อลัลลอฮ์ต้องการจะบอกว่ามนุษย์มีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งนี่นะแต่รับมุซีิบา้าเดือดร้อนจะเข้าหาอาลัลลอฮ์ไม่เป็นแต่มุสลิมมุหมินผู้ศรัทธาต่ออลัลลอฮ์และเจอมุซีิบ้าแบบนี้ทําตัวไม่เหมือนคนกาเฟนะ่น่ะคนมุหมินเป็นไงครับเขาจะขอพรต่ออลัลลอฮ์เขาจะสํานึกตัวต่ออลัลลอฮ์เขาจะตาบ้าตัวต่ออลัลลอฮ์ เขาจะขอดุทิต่ออัลลอฮ์เขาจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองเพราะฝีมือมนุษย์หมดเลยที่ฝุ่นฝุนเนี่ยเอาโรงงานทั้งหมดนี่แตะมากก็ไม่ได้เองเพราะมันรวยกันหมดแล้วไะโรงงานโรงงานเนี่รวยกันหมดแล้วเราใครแตะได้รัฐาลก็ไม่กาแตะพอแล้วพวกแกนีนเเนน้เพราะมันเดือดรามเยอะแะ่นั้นเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบความมนุษย์ทําเองใช่ไหมฝีมือมนุษย์บิมากาซบัดไอดินนาด้วยน้ํามือของมนุษย์เอง เราเป็นไงครับปั่นกันหมดเลยเนี่ยบางคนต้องเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดก่อนชั่วคราวสักสิบวันสิบห้าวัว น, วนวคนมีตังก็ไปคนไม่มีตังก็ู่แต่เราก็ต้องทําหน้าที่ปิดนู้ดปิดนี่ปิดปิ ด, ป ด, ป ด, ปดปวากปิดตาอะไรแบบนั้นสใสหน้นากากหน้ากาทันมาเรียบร้อยก็ทําตามที่ระบบที่เขาสั่งนั่นแหละแต่หัวใจของเราไม่ใช่แบบนั้นหัวใจเราตรงนึกถึงใครนึกถึงอัลลอฮ์นี่เป็นฝีมือมนุษย์ให้อิมานเราเพิ่มขึ้น ฉะนั้นเรานึงนามายาขาดขอถวายต่ออัลลอฮอัลลอจะปกป้องภัยพิบัติอันนี้อย่าให้เกิดกับฉันและครอบครัวของฉันต้องขอถวาครับเขาเรียกว่าถอานะครับดีได้ไม่ดีนี่คุรานสอนใช่ไหมไม่ได้คิดเองนะไม่ได้ใช้ปัญญาเองเดินตามกุรานและบรรดาวสวะอธิบายกุรานอย่างนี้นะครับเอาต่อมาครับซุมไม่อาจกอหุม ซุ่มมาหลังจากนั้นหรือว่าแล้วหรือเมื่อก็ได้อีซาแปลว่าเมื่ออซ า, าก็แปลว่าลิมลิมรถความตายก็เหมือนกันก็ใช้ใช้ใช้คนี้แหละกุลูนับซินซาอี ก, ก็ความตายก็อัลลอฮ์ชา้ว่าลิมรถอันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่ออัลลอฮ์ให้ราะมา An, มินฮุรอมอาจานเมื่อความเมตตาของอัลลอฮ์มาลิมรถหรือมาสัมผัสพวกเขาก็เป็นไงครับอิจาฟรีกุมมินฮุมบิรอบบิหิมยุชริกูมมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะมีคนอยู่กลุ่มนะจากพวกมนุษย์นี่แหละบิรอบบิหิม พระผู้อาภิบาลของเขากับพระผู้อาภิบาลของเขายุชริกูลเขาตั้งพาขี่ไปกราบจเจระเข้เหมือนเดิมนั่นแหละไม่เอาอัลลอฮ์แต่เวลาได้รับความทุกขนะ์น่ะเข้าหาอัลลอฮ์กันพออัลลอฮ์ให้ความทุกข์มันหมดไปไอ้ที่หมดไปนะ่ะอัลลอฮ์ให้หมดไปนะด้วยการขอดุอาศของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์การขอดุอาของต่อบาตัว เวลามีฝุนมาเนี่ยกลับ่วกลับตัวกันหลายคนนะคนที่มีศาสนานะร้องไห้ร้องหโหลุกขึ้นมาแต่ฮัจย์กันเ ง, เงียบในบ้านของเขาเองนี่แหละแต่ว่าคนกายเฟซกัดทล้อคนนั้นนด่าคนนี้ใช่ไหมที่เราเห็นเนกันอยู่ในสังคมเนี่ยแต่เนี่ยอัลลอฮฺเตือนเมื่ออัลลอฮฺเอาความทุกข์ออกไปพอความทุกข์ออกไปแล้วเป็นไงครับอีดาฟารีกุนมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งเพราะคนทั้งโลกเนี A ่ยอัลลอฮฺดูแลหมดอ่ะ นี่ยลเล่านัง่งไอ้กลุ่มหนึ่งเร า, เราด้วยระเป๋าตรงนึกพอล้าไม่ได้เอะยชื่อว่าประเทศไหนใช่ไหมอิราฟารีกุนมีคนกลุ่มหนึ่งยุชริกูนตั้งพาคีบิรอบบิมกับพระผู้อภิบาลของพวกเขาอีตอนสบา ย, ยลืมอัลลอ์มุมินทําอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ครับมุหมินต้องทำอย่างนี้ถามว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยใครให้ ถามางอย่างก่อนนะความสุขความสบายเนี่ยมาเองหรือว่าอัลลอฮ์จัดมาเองหรือว่าอัลลอฮ์จัดอัลลอฮ์จัดมีอะไรบ้างสักเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดือนสองอาทิตย์ที่แล้วนี่นะครับเราพูดว่าอัลลอฮ์ตาลานี่นะให้ความตายมาใช่ไหมไม่ใช่มาเองนะความตายการมีชีวิตสุขภาพแข็งแรงเจ็บไข้ใดป่วย แล้วก็ความจนความรวยมีชื่อเสียงโด่งดังคนรู้จักแล้วต่อมามาตกมาล่นอลัลลอฮ์จัดให้ให้ไทนะให้ตกตามบ้างนี่นะแล้วก็รวมไปถึงความจนความรวยสุขภาพแข็งแรงหรือไม่สบายอาลัลลอฮ์จัดทั้งหมดแล้วก็สรรพสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เนะี่ยน้อมรับคําสั่งของ อ, อัลลอฮ์หรือพูดง่ายๆเนี่ยนะ ความลําบากด้วยความสบายอะไเนี่ยเท่าชามาข้าเฝ้าอัลลอฮ์หมดเลยนะข้าวเฝ้าอัลลอฮ์หมดน่ยอยาอัลลอฮ์จะให้ฉันไปอยู่กับใครอ่ะคนละอัลลอฮ์สัง่งอัลลอฮ์สั่งแบบนี้เอาความทุกข์ทุกข์ลบากลําบากเนี่ยไปหาคนที่มีอีมาน <c ười> คนที่มีอีมานอ่าและความสบายสุขภาพแข็งแรงไปอยู่กับใครล่ะไปอยู่คนที่ไม่เอา อ, อนะัลลอฮ์น่ะ สมไปอย่างนี้เห็นยังครับฉะนั้นคนมุมินเนี่ยต้องถูกทดสอบมากกว่าคนกาเฟตมากกว่าครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้อิมานเราเนี่ยเพิ่มขึ้นให้หัวใจเราเนี่ยโยงกับอลัลลอฮ์เพิ่มขึ้นต้องตักว่าเพิ่มขึ้นต้องอดทนเพิ่มขึ้นถามว่าอดทนมีรางวาัลไหมนะมีครับใช่ไหมถ้าเราบุนเยอะๆรางวัลมีไหมล่ะไม่มี ไปนั่งบนดาโนนั้นดาคนนี้เองนี่แหละทำให้ฉันเดือดร้อนโอ้โหรางวัลไม่มีเลยนี่ถูกทดสอบไม่ได้โวยวายมีพวกอยู่ทั่วหลายจังหวัดแจ้งหมดเลยน่าจะแจ้งว่าช่วยขออุอาให้ฉันนะภาษานี้ไม่ออกจากปากด้วยนะด่าเลย <c oughs> นะครับการทดสอบจากอัลลอ์มีมาตลอดเวลาและมุมินต้องทำใจนะอัลลอ์จะทดสอบตลอดเวลาฉะนั้น ฝุ่นละอองครั้งนี้ที่มานี่มาจากอัลลอฮ์แต่นบีสอนไ้เลยนะคนมุมินถ้าจะถูกฝุ่นนี้นะแค่ไอ ห, หรือวมาก็เป็นวัดอาจจะออกเลือดบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่มีปัญหาเราไม่ถึงกับตายหรอกนะนั่นเป็นการเตือนให้มุมินได้นึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานาหวบะตละลาทีนี้อายะวัลสุดท้ายเนี่ย อิ ذافارق ุมมินุมบรอบบิหิมยุกุเมื่อพวกเขาปลอดภัยแล้วนะครับอัลลอฮ์ให้ความร่ำรวยมาให้สุขภาพแข็งแรงให้ฝุ่นออกไปแล้วพี่น้องอะไรเกิดขึ้นคนบางกลุ่มเนี่ยชีริกต่ออัลลอฮ์กูแน่กูปราบเรียบร้อยเลยฝุ่นอย่างนี้นะโอ้โหฉันเครียบแป๊บเดียวจบ นี่ชิริกไหมเนี่ยชีริกสิทำไมอะ่ะเพราะว่าไอ้ใครที่ปัญหาที่ออกไปนี่นะอัลลอฮฺขจัดแต่อัลลอก็ให้ฝีมือมนุษย์เราช่วยกันทําังาน่ทำี้เพื่อให้มนุษย์ได้ขอบคุณอัลลอฮแต่ลืมขอบคุณอัลลอฮสุบฮานา ห, าหูบาดาขอฟูน้นอีกนิดหนึ่งนะว่าคนที่อยู่ในนรกตลอดกาลน่ะมีกี่กลุ่มรู้เปล่ามุคัลลาดูนฟินน่ว อ, ธ, อธิบายแล้วมีอยู่หกลุ่ม หนึ่งกาเฟร 2. สองมุริกนี่ไงที่ในะคุรานยินเน้นว่าอย่าทำชิริกนะอย่าเป็นคนปฏิเสธนะอย่าคนลืมบุญคุณอัลลอฮ์นะมอยูห้ากลุ่มที่จะอยู่ในนรกตลอดกาลหนึ่งกาเฟรสองมุชริกสมูนาฟิกสีคนตกมุตตดมารับอิสลามแล้วก็ทิ้งอิสลามไปถูกแน่ๆแล้วก็อ่านรุ่กิตาบชาวคมภีที่ นบีมุฮัมมัดมาแล้วยังด่านาบียังตำหนินบียังขัดขัดขวางต่อสู้กับนบีนี่อะห้ากลุ่มนี้อยู่ในนรกมคัลลาดูตลอดไปส่วนบางคนที่ตกนรกชั่วคราวนะมุสลิมหมดเลยอะคนที่ขาดนามาดไม่นามาดไม่ครบห้าเวลาคนที่ไม่ไม่อะไรเนี่ยไม่ดูแลพ่อแม่ตัวเองคนที่กินดอกเวี้ยทาซีนาเข้าบาร์ไนท์คบเป็นมุสลิมนะ แต่ไม่ยอมกับเนื้อกับตัวยมกระทั่งตายอ่ะเล่นทมของบาปยมกระทั่งตายเนี่ยไม่ยอมแต่ว่าตัวต่อรออัลลอฮ์ก็ให้ตกนรกชั่วคราวอย่าลืมว่าวันหนึ่งของอัลลอฮ์ในวันเกียร์มาในยาวเท่าไหร่บ้าง 50,000 years ห้าสิบหันปีเท่าไหร่ 50, ห้า0มืนไว้วัว อักตกครึ่งวันเท่าไรหร่ 25,000 ันปีอัลลอฮฺอัลบัตคอมซีนะอัลฟัสนะนี่ภาษากุราณนะเอาต่อมาครับอายะที่ที่สลิยักฟูรูบิมาอัตยานหุมฟาตมัตต้าอูฟาซาอูฟาตัลโม ลี่ยขฟุรูบิมาอัตยน้าหุมฟะตมัตต้าอ <af> ูฟะซูฟะต้าเลมูอุนอัลลอฮุอะล a อฮิมอะลัยฮิอะอะัอะลฮะอัยฮิอลิวะอนลัยฮิวะอัยฮวงอะลัวะอัยฮวอนาคตตะัวเองจะเป็นยอัยฮิวะอะลคยอคนที่ไว่อ่วงโลัวอะลิะอะลัยัอวลอิ พูดชัดๆง่ายๆอย่างงี้นะใครที่ไม่นึกถึงโลกอาคิโรขาดทุนหมดเลยครับฉะนั้นคนที่นึกถึงอาคิโรอ๋ อ, อคนนี้เขาจะระวังตัวของเขาเพราะว่าจะต้องรอรับรางวัลในโลกอาคิโรเนี่ยแค่เดินมานามาเนี่ยรางวัลก้าวเดินมีไหมมีครับเข้าไปเดินในซีคอนรางวัลไม่มีครับ เอาเลือกเอาแล้วก็ถามว่าไปซีคอนกับมามัสยิดอันไหนชาอร่อยถูกใจกว่ากันไปสีคอนถูกใจใช่ไหมโอ้โหอนาฮามาลาจะคุยกับผมเรยใครที่เอาของเข้าบ้านที่มาจากตลาดนะนะภรรยาไปตลาดก็พาของเข้าเข้าบ้านสามีไปตลาดเอาของเข้าบ้าน ลูกเช้าลูกสาวไปตลาดเอาของเข้าบ้านบ้านหลังนั้นไม่มีบรกิการนะฉะนั้นเวลามามัสยิดนะต้องเอาของจากมัสยิดเข้าบ้านด้วยอันนี้มาจะหมายความว่าเอาเสือโซราไปไว้ที่บ้านเอากุรอานไปไว้ที่บ้านต้องเขใจใหม่นะเอาความรู้จากมัสยิดเข้าไปบ้านแะเอาตักวากขาไปอิหม่าเข า, อาสอนอะไรอ่ะตัวครูเขาสอนอะไรที่มัสยิดเอาเข้าบ้านด้วยไม่ใช่เอาแต่ มาจากตลาดจากตลาด ต, ตลาดอย่างเดียวไม่ได้นะฉะนั้นสามีตัวมามัสยิดแล้วก็มาหาความรู้จากมัสยิดพาของจากมัสยิดเข้าบ้านถึงบ้านนั่นจะมีบราระกัดถ้าบ้านนี้จะวัตถุที่มาจากตลาดอย่างเดียวในนะาบ้านนั้นมันมีบราระกัดนะ่ะนี่เราต้องนึกแล้วนะโอชาเนต้องใช้ชีวิตของเราเนยะโยงกับบ้านของอัลลอฮฺโยงกับมัสยิดโยงกับสุราอ ต้องโยนกับอัลลอ์เนี่ยให้ชีวิตของเราเนี่ยมันต้องผูกพันกับโลกอาคือรอดหมดเลยเอาต่อมาครับลียักฟูรูเพื่อนเนรคกุณตาฟอร์รอยักฟูรูเนี่ยว่าเพื่อนเนรคุณบีมาอาตานาหุมบีมาแปลว่าต่ออาตานาหุมที่เราได้ประทานให้แก่พวกเขา อัลลอฮ์เนี่ยให้กับมนุษย์ทุกอย่างแต่เมื่อมนุษย์ได้แล้วทําตัวยังไงนรคุณอ้าชีวิตคนกาเฟ่ต์นี่อัลลอฮ์ต้องการจะอธิบายว่าชีวิตชีวิตคนกาเฟตเนี่ยได้บ้านมาหนังเรืองเคยขอบคุณอัลลอฮ์ไหมไม่เคยอัลลอฮ์เอาเรื่องนะให้ภรรยามามีความสุขบนบนบนบนเตียงนอนเคยขอบคุณอัลลอฮ์ไหมน้ําจุนรุบก็อาบไม่เป็นน่ะคิดดูสิ บิสมิลลาห์กว่าร่วมหลับนอนก็ไม่มีถึงลูกได้เป็นต้นกันหมดเนี่ยนี่ไงถ้าไม่ขอบคุณอลัลลอ์อย่างเดียวนี่ชีวิตหมดเลยครับลิยักฟูรูบิมาอาไตนาฮุมเราได้ประทานให้กับพวกเขาประทานความสุขประทานของดีๆสุขภาพแข็งแรงร่ำรวย เมื่อได้แล้วเป็นไงรีอคโฟรูเพื่อทรยศต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาลถามว่าชีวิตแบบนี้ดีหรือไม่ดีามา ด, ดูสวาว บ, บ้านนบีอับดุมานบินอาฟอัลลอ์ให้เงินให้ทองทำไงรือเปล่าเอาอูดอย่างน้อยเจดรอตัวมีสินค้าอยู่บนหลังอูดมาที่นครมาดีนะคนพวก พ่อข้อค้าก็ไปเดินดักกันมาขอต่อราคาจัน่านห้าเปอร์เ0เซเหมาหมดเลยถามโดนรำมานเป็นอาบนี่เป็นซอบ้านนาบีตุวไยโยงกับซอบ้านนาบีนะเขาว่าคุณให้กำไรน้อยไปเขาบอก30น่ะเยอะสุดแล้วเขาบอกไม่ใช่คนที่ให้มากกว่านี้บอกไม่มีหมดแล้วชีวะบังวลเอาล้อให้่ะท่านผมพาสินค้ามาทั้งหมดนี่เอามาแจกไม่ใช่เอามาขาย หน้าแตกหมดเลยทำไมก็ทำตัวแบบนี้ล่ะเพราะได้เนี่ยหมัดของอัลลอ์มาเขาขอบคุณอัลลอ์สุบฮานาหูวาตออะเห็นอย่างครับนี่กุรานเตือนนะเตือนคนอ่านกุรานว่าอย่าหลงวัตถุได้ริสกีมาได้สุขภาพแข็งแรงมาได้ลูกมาให้นึกด้วยว่าลูกเราต้องทำงานศาสนาของอัลลอ์ต้องอ่านกุรานเป็นต้องเข้าใจอิสลามต้องเผยแพร่อิสลามต้องนึกตรงนี้ตลอดเวลาครับ อย่าใช้ชีวิตแบบคนคาเฟ่อลอในบ้านแั่มีแต่เสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงนุ่นเสียงนีเสียงละครแต่เสียงกุญญานมีไหมไม่ค่อยได้ยินเลยเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ทรยศต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหูตะแลลียักฟูรูบีมาอาไตนาฮุมอาไตนาฮุมแปบลบว่าเราได้ประทานอะไรครับก็หมายถึงความโปรดปานเนี่ยมัดให้กับพวกเขาเหล่านั้น พอได้แล้วเป็นไงครับลียักฟูรูนี่ อ, อัลลอฮ์ต้องการจะให้เราเนี่ยใช้ปัญญาบ้างเพื่พอพอได้แล้วกับเนรคุณทรยศต่อคำสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวะตาแล้วอัลลอหฺอักบัะดี้ยงยังครับมีอาหารวางอยู่มนหน้าเนี่ยอยู่บนติาพระยาจัดให้อ่ะกินอาหารไม่เคยคิดถึงคนจนเลยนะนบีสอนอย่างงี้บ้านใดก็าตาม ที่มีอาหารริสกีพ่อกินอิม่มแม่กินอิม่มลูกกินอิ่มอ้วนกันหมดเลยอะ่ะแต่คนริมบ้านเน่ยหิวบ้านนี้ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มมเมนผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์สุบฮานุฮวาตาลอธิบายยังไงเรามีริสกีกว้างขวางต้องต้องมองคนอื่นด้วยเอ้ผู้เองอยู่กันยังไงว่าเดินโซเซโซเซเป็นอะไรหรือปล่าต้องนึกอะ่ะโอ้นีงไง ฉะนั้นได้เนี่มยมันของอัลลอฮ์มาไม่ใช่ชายคนเดียวฉะนั้นใครที่มีริสกีเยอะๆต้อตงนึกนะสีรายการนะ1นึะกาส2อะไรครับสอดกะกคสามฮัดียะสี่วกัฟ4รายการฝ่าธรรมะตะเอาเมาืม่อพวกเขาได้เนี่มยมัของอัลลอฮ์มาแล้วก็เป็นไงครับพวกเขาสนุกสนานอัลลอฮ์อัลลอฮ์ว่าไงไหม ให้มันสนุกสนานกันไปเถอะฟตาตมัด ต, ตาวออได้ภรรยามาได้ลูกมาได้บ้านมาได้รถมาได้ที่ดินมาได้สวนมาให้มันสนุกกันไปเถอะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลลอก็ไม่ว่าเองสนุกเฉพาะบนโลกดุนยานี่โลกเดียวเห็นอย่างครับออถ้าอัลลอฮ์พอใจเปล่าไม่พอใจแต่อัลลอ ให้บัลลัยกาเอาไม้หน้าหน้ายี่สิบมาไล่ตีปเปล่าเปล่าครับเอาอยู่กันไปรออากาศรอแปลกนะนะอย่างที่อาญาที่แล้วใช่ไหมคุกกลุ่มที่แยกตัวออกไปนะกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะฟาริโูทุกคนแฮปปี้หมดเลยกับกลุ่มของเขาที่เขาตั้งกันขึ้นมาเนี่ยนะแฮปปี้หมดกูอยู่กลุ่มนี่โอ้โหสบายหน้าดูเลยแต่ที่นายได้นบีว่าไม่อยู่กลุ่มเดียวที่รอดนอกนั้นไม่รอด คนที่อยู่ในกลุ่มใดที่ไม่โยงกับอัลลอ์และไม่โยงกับสุนนะนบีไม่โยงกับสวบาาบ่านนบีขาดทุนหมดเลยครับอ้าวฟาตมาตาอูคุรอาตูรีสวร์ยัไงนะจงหาความสุขกันไปเถอะเราเป็นไงครับฟาซาวฟาตาลมูนในไม่ชาซาฟาในอนาคตอันไกลหมายถึงวันกิยมามะเนี่ยนะ ฟาซาฟาตาละมูนพาะในไม่ช้าสูเจ้าจะได้รู้อนาคตของคุณคือแย่แน่ๆครับอลัลลอยังครับฉะนั้นโลกดุญยาใบนี้ไม่ใช่โลกแห่งการให้รางวัลนะอลัลลอฮฺให้เพื่อการทดสอบนี่คือคำเต่าที่ดีที่สุดนะให้กับทุกคนให้เพื่อการทดสอบเท่านั้นเองนะครับ อย่างน้อยก็มีสองขอยนานในกาพิารณาครับในสุรสอันนั่งรูก็พูดอย่างนี้แหละ mm hmm. ลิยักฟูรูบีม า, าตไตนาหุมฟาตมัตเตอฟาเซอฟาตอัลโมนก็ให้พวกเขาในราคุณก็ไปเถอะต่อสิ่งที่เราได้ประทานให้แก่พวกเขาดังนั้นจงร่าเริงหาความสุข ก, กันไปเถอและพวกเขาจะได้รู้สึกตัวตอนไหนครับนี่หละหลังจากตายเพราะตายภาพก็รู้แล้ว แค่ใส่ลงแบกเท่านั้นลยพ่น้องแ้าใส่ลงแบกนะคนที่เป็นมุมินพูดว่าไงนะกอดดีมูนีรีบพาฉันไปฝังถ้าคนที่ไม่เอ า, าศาสนาไม่รู้จักอัลลอฮ์เองจะพาฉันไปไหนเอเามาเชื่อลลงตายดูแต่คนที่แบกนะไม่ได้ยินสัตว์ได้ยินหมดเลยเอะไรได้ยินมาแรงวันแมงป่องใสเดือนที่อยู่รา ใต้ดินได้ยินหมดนี่นบีอธิบายอย่างนี้นพี่ทุนเข้าเห็นยังครับฉะนั้นโลกดุนยาใบนี้นะโลกแห่งการทดสอบมีทุกข์กับสุขรวยจนป่วยแข็งแรงถูกทดสอบมาเลยครับ <c oughs> เอาต่อมาครับอายาที่ส5อสิบห้าอาานี้นะครับ أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أم أنزلنا عليهم سلطانا ฟะหุอายาตะกะละโมบิมะกาโนบิยุษริกุนอัลฮัมดุลิลละอัลยานี้นะครับอัลมาเขาสรุปบอกว่าสรุปนะพวกบูชาจเวตนะหรือคนมุชริคลอกตัวเองโกหกตัวเองแต่เขาไม่รู้สึกตัวเรา ไปบอกว่าคุณหลอกตัวเองนะไม่เชื่อหรอกแต่ถ้ามองจากคุณอ่านชัดหลอกตัวเองอยู่ประาณวันหนึ่งจุกว่าจะตายมาดูคุณอ่านครับอัมอันซาลนาอัลัยฮิมอัมแปลว่าหรือว่าหรือว่าอันซาลนาเราได้ประทานอัลัยฮิมแก่พวกเขาเหล่านั้น สุลตานแปลว่าหลักฐานที่คุณชีริกต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอ์ต้องการจะอธิบายผู้เรื่องชีริกบ่อยมากครับต้องการจะให้เรื่องชีริกนั่นแหละแต่คนนี่เขาใจยากก็ยกตัวอย่างจะมาบางครั้งที่แล้วเนี่ยยกตัวอย่างว่าไงนะเวลาคุณมีทรัพย์สินใช่ไหมมีทรัพย์สินมีเงินทองเนี่ยแล้วก็มีลูกจ้างใช่มแล้วก็มีทาสเนี่ยที่ช่วยงานคุณเนี่ย มาขอหุ้นในธุรากาิจของคุณเรงเงินของคุณนะคุณพอใจให้ไหมล่ะพอใจไหมอัลลอห์เองนี่เพื่อต้องการจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่างานของอัลลอ์เนี่ยอย่าเข้าไปยุ่งให้อัลลอ์การกราบนี่สาหรับอัลลอ์อย่างเดียวนะแล้ววันนี้เป็นไงครับเอาการกราบนี่ ไปกราบต้นกล้วยมีไหมมีไปกราบแม่น้าคงคามีไหมมีในอเดียประกราบกาบวัวด้วยมีไหมมีเขาทิงการกราบเฉพาะอัลลอฮ์องเดียวนะแต่วันนี้โอ้โหทำเนี่ยชริกอย่างแรงเลยครับอัลลอฮ์ต้องการจะให้เลิกแต่ให้เลิกโดยการใช้ปัญญาตัวเองอัอล ล, ลอฮา หรือว่าเราได้ประทานให้แก่เขาแล้วนั้นหลักฐานหลักฐานเนี่ยที่ให้อนุญาตให้คุณไปบูชารูปเจเว็ตเนี่ยคุณเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะในคาภีุ่รอ่านไม่เคยไม่เคยเปิดช่องไฟเขียวให้คุณเลยนะแล้วคุณเอาเอาความรู้นี่มาจากไหนผ่านนาบีเหรอไม่มี ไม่มีนบีคนใดในโลกที่อนุญาตให้คนในยุคแต่ละยุคนั้นก้มหลงกราบรูปเจ้าเวทที่อื่นจากอัลลอฮ์ไม่ใครรนชญาสักคอย่างครับนี่เรื่องเรื่องชิริกเนี่ยเรื่องกราบเสียงอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นบาปอันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะเป็นบาปใหญ่มากเลยนะครับความผิดอื่นๆอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แต่ชิริกเนี่ยไม่ได้เลยนะและชิริก ขั้นที่เรามองไม่คือออกก็คือเอาอารมณ์ตัวเองใช่ไหมใหญ่ยยกว่าคำสั่งของอัลลอ์ที่ยกตัวอย่างไซนาอาลีน่นั่นเข้าใจง่ายที่สุดนะไนาลีไม่ยอมที่จะยบฟันให้มันตายอะ่ะเอามีดาบวางไอ้คนจะถูกฆ่าวาถ้าไม่ฆ่าฉันล่ะซาลตีตอบว่าไงรู้ไหมครั้งแรกในฉันเนียรนะ่ะฆ่าคุณเพื่ออัลลอ์ ถ้าคุณถม่มทำลายใส่หน้าฉันฉันเปลี่ยนเลยอะ่ะที่ฉันจะฆ่าคุณเพราะโกรธที่คุณถม่มทำลายใส่หน้าฉันอมามิดาบวางนี่อารมณ์สัตวการอย่าเอาอารมณ์มาเหนือกับคำสั่งของอัลลอฮ์ฉะนั้นนบีเนี่ยอัลลอฮ์จึงส่งยิบบลีเนี่ยเป็นไดีเรคเตอร์เนี่ย น, น, นะมาคุมอยู่ตลอดเวลาเลยนะนี่ต้องทําอย่างนี้ทําอย่างงี้จะหัวเราะถือจะโกรธเป็นวไว้หมดเลยอะ่ะ จะนอนก็เป็นวะฮีเป็นวะฮีทั้งหมดฉะนั้นนบีอามัดยี่สิบสาปีเนะี่ยไม่มีอะไรทําตามอารมณ์เลยนะครับเป็นวะฮีวะฮีวะฮีวะฮีวะฮีฉะนั้นอัลลอฮ์เลยสั่งนะอย่าเอาอารมณ์ตัวเองใหญ่ยยกว่าคําสั่งของอัลลอฮ์อารมณ์ที่อัลลอฮ์ให้มาเพื่อเอามาควบค c o n นะและอารมณ์มีกี่มีกี่มีกี่อย่างมีหกจ็อย่างนะอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหอารมณ์ผูกพยาบาทอารมณ์เอาชนะขี้เหนียวนี่อารมณ์หมดเลยนะ ดังนั้นต้องเอามาคุมให้ได้แล้วก็ขอตัวต่ออัลลอฮ์ลาจาอาชานี่เป็นคนขี้แยว่หน้าดูเลยอัลลอฮ์จ้าเปิดใช้ชันหน่อยกั้งยี่ปีตัวเอาต่อมาครับฟ้าหูวายจากกัลลามุบิมาการูบิยุชริกนเพื่อมันจะได้พูดตะกั่นลำแต่ว่าพูดนะ จะได้พูดบิมากานูบิฮิยัสตาดิอูนในเรื่องที่พวกเขาตั้งภาคีกุรานบางทีอ่านแล้วไม่อาศัยตัรซีกก็เขา้าใจยากเหมือนกันนะ <c ười> คือตรงนี้ตองการจะอธิบายบอกว่าอัลลอ์เนี่ยไม่อนุญาตให้มนุษย์คนหนึ่งคนใดเนี่ยตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ เรื่องที่หนึ่งเครื่องที่สองอัลลอฮ์ไม่เคยส่งหลักฐานหรือว่าเป็นคําบอกเล่าผ่านนาบีคนใดในโลกนี้แม้แต่คนเดียวว่าอนุญาตให้ก้มลงกราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เคยทําแล้วก็อะไรนะมาพูดใส่หูคุณเนี่ยเหมือนกันได้ยินว่าอนุญาตให้ทํำนู่นทํานี้ทํานี้ทํานั้นน่ะ ยตะกั่นละมูบีมามึงมาพูดให้กำลังใจว่าคุณเนี่ยไปก้มลงกราบเหมือนกับมีใครมากระซิบกับคุณมาบอกกับคุณให้ก้มลงกราบสิ่งอื่นนอกจอากอัลลอฮ์ได้แต่อลัลลอฮ์เลยไม่เคยทําไม่เคยไม่เคยชีย้นําใครด้วยมติต่เตือนเตือนเตือนเตือนเตือ น, น, นอย่าทําชิริกนาะไอ้บาปอื่นๆอลัลลอฮ์อาจจะพยาโทษให้ชิริกอย่างเดียวอย่าทํานะครับนี่เข้าใจง่ายนะอิชช า, อ, า อ, นะอัลลอห์นะห้ามอยู่เรื่อย อันทีนี้ในอั น, นตัปสี อ, อธิบายกันคาว่าซุลต้อนเนี่ยแปลว่าหลักฐานท่านเดียรฮักแปลว่าคัำพีอัลลอฮ์เนี่ยไม่เคยส่งคมภีเล่มใดผ่านนบีมาในคัมภีเล่มนั้นบอกว่าอนุญาตให้ตั้งภาคี ก, กับอัลลอฮ์ได้ซุลต้อนแปลว่ากิตาบันนะทีนี้อัลลมาอีกท่านหนึ่งบอกว่า คิตาสุลตอานหมายถึงบุรฮานันหลักฐานสุลตอานบางคนอธิบายว่ารอสู่รันไม่เคยแต่งตั้งนบีคนใดมาสอนเรื่องให้กราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไม่เคยส่งเลยไม่เคยไม่เคยบอกใครเลยดังนั้นสิ่งแรกคนที่ถูกมีคนคนเชื่อรจำชื่อไม่ได้นี่นะนบีเห็นคนคนนี้น่ะกำลังลากไส้ตัวเองอยู่ในนรก มีคนถามว่าทําไมคนนี้นะ่ะเป็นคนอาหรับเนี่ยนะเป็นลากไส้ตัวเองอยู่ในนรกทบบกําไมนเบียบวกคนนี้แหละเป็นคนแรกที่ผลิตเจวิตผลิตเจวิตแล้วก็ให้คนได้กราบฉันเห็นน บ, บีเอาล็อให้เห็นคนเดียวนะลากไส้ตัวเองอยู่ในนรกเพราะคนนี้ทํำบาปใหญ่ว่าผลิตจเวิตเพื่อให้คนได้บูชา เห็นอย่างครับท่านเรื่องนี้เรื่องเรื่องใหญ่มากนะเรื่องชิริกตอร้อนนะเรื่องเรื่องใหญ่มากเลยนะครับเอาต่อมาครับอายาที่สามสิบว่าอีกอาจะกนันนัสระห์มะว่าอีกอาจะกนันนัสระห์มะทั้ฟฝริภูบีฮา ว่าอินทุษَบะฮุมสไ ب ِ م อาทุบิม م ก ت ดมา ي ْอِ ي ه ห م ْ إذا هم ي ق ْ ن ُ ط ُ و ن إذا هم ي ق ْ ن ُ ط ُ و ن وإذا أذقنا الناس رحمة ف ر ِ ح ُ و بها ว่าอ <chat> ินทุศิบหุมสไรอัุมบิมะกดมัสไอดีหิมถ้าหุมยากนุตุน a l h a m d u l i อายานี้ต้องการจะอธิบายอย่างนี้นะครับคนมมุมินกับคนกาเฟตใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเวลาถูกทดสรบจากอัลลอฮ คนเ ม, มนเนี่ยถูกทดสอบจอาก้องเาทำยังไงแต่อายา น, นี้ต้องการจะบอกว่าลักษณะของคนกาเฟ่เวลาได้รับความทุกข์เขาทาตัวยังไงอรลรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรารรรรรรไรรรรรรระรรรรรรรรรรรร้รรรรรรรรรรรอรรรรรรรรรรรรรรรรรรรอรรรรรรรารร กับแปรผังอายุอาธิอาิผ่านมานะแปลว่าลิมรสเมื่อเราได้ให้มนุษย์อนณาจัว่ามนุษย์อาณักรนาเราให้เขาเราให้มนุษย์เนี่ยลิมรสราะมาแปลว่าอะไรความเมตตาอัลลอฮฺอักบาร น, น, น, นี่อัลลอฮ์ใช้ภาษาลิมนะทดเอามาแตะทีลิ้นอัลลอฮฺอักบาร ใช้ภาษาโอ้โหร่ารักมากนะฉันให้รหมามาอยู่กับเขาแต่ใช้ภาษาว่าให้เขาลิมรสความเมตตาของอัลลอฮ์ไอลิมรสความเมตตาของอัลลอ์เนี่ยอลุลามอธิบายอย่างนี้หนึ่งอะไรบ้างออดีใจออฝนตกสุขภาพแข็งแรงออแล้วเป็นไงครับฟาริฮูบิฮาเขาดีใจ นี่อัคลาของคนกาเฟ่ได้รับรรหมหสุขภาพแข็งแรงเงินทองเยอะแล้วก็หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยมีลูกดีมีบ้านอยู่มีรถมู่นมีรถนี่อัลลอฮให้เขาแค่ดีใจอย่างอื่นทาไม่เป็นฟาริฮฺอย่างเดียวแฮปปี้อย่างเดียวอย่างอื่นทำเป็นไหมไม่เป็นอ้ า, าวแต่วาเราพอใจไม่พอใจอัลลอฮฺไม่พอใจอลล เป็นย่างครับนี่ต้องการจะเล่าอะไรนะสิทธิของคนกาเฟรเวลาอัลลอฮ์ให้มนุษย์เนี่ยนะได้รับความรหะมะจากอัลลอฮ์รับความดีจากอัลลอฮ์ให้สุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองมีลูกหลานอาลอเรียนหนังสือจ บ, จบนู่นจบนี้แค่ดีใจแต่มเมนเป็นอย่างนี้เปล่าไม่ใช่ครับ ม, มเมนวลาได้รับรองมาจากอลกัลลอฮ์เขาทำไงครับชาการอเขาขอบคุณนี่นี่เล่าคนกาแฟเองแค่ดีใจอย่างเดียวยิ้มเดี๋ยวก็ไปกินเหล้าแล้วเดี๋ยวก็เข้ า, ขาบาร์แล้วซื้อตั๋วไปฮ่องกงไปกินทำวีนาที่นู่นเห็นไหมแต่โมเมินตเป็นอย่างไงี้ไหมไม่ใช่ครับโมเมนได้รับรองมาจากอัลลอฮ์มาเป็นไงครับเขาชุกรตอ่ออัลลอฮ์ เขาสวดอยูต่ต่ออัลลอ์เขามามัสยิด ต, ต่ออัลลอฮ์เขาบริจาคเลยอัลลอฮ์อักบะฮฺแสนใจสกการเท่าไรนี่ปีนี้ได้เงินมาต่างหลายล้านนึกถึงสักการก่อนนี่ชีวิตของคู่ศรัทธาต่ออัลลอ์เป็นแบบนี้แต่คนกาฟนี่อัลลอ์เล่าไห้ฟังได้รับราวัมามาจากอัลลอ์แค่ไรแค่ดีใจเห็นไหมอตอมารับว่าอินตุสบะฮุม สา ย, ยถ้าหากว่ามาประสบเก่เาเนี่ยมันจะสังเกตนะถ้าใช้กับพระมะใช้ว่าอาดักนาแปลว่ามาสัมผัสมาลิ้มรสแต่จะพูดถึงเรื่องสา ย, ยียาหมายถึงความชั่วเช่นการเจ็บไข้เด่วยเงินทองขาดแคลนเนี่ยฝุ่นมาละอองมาเนี่ยมาจากทั้งหมดเนี่ยนะเป็นไงครับ ตัวเซฟหุ่มขอใช้ภาษามามาพบมาประสบกับพวกผมไอความชั่วที่มาประสบเรื่องไม่ดีที่มาประสบเนี่ยมายางไหงรู้ไหมบีมากรดมัดไอดีหิมเนื่องด้วยไอดีแปลว่านำมือของพวกเขาได้ทำล่วงหน้าเอาไว้ก่อนแล้วยังควันครั้งนี้นี่ควันนี่นะ พอโรงงานใช่ไหมล่ะพอรถใช่ไหมล่ะจะเอาน้ํามันน้ามันใส่ไปแล้วก็มาเด็ดดูแลให้มันถูกต้องเนี่ยคฝีมือใครอะ่ะฝีมือมนุษย์เอาวันนี้เอาลองให้เห็นแล้วเราไป็นไงครับเมื่อมีปัญหาเดือดร้อนเข้ามาพบกับมนุษย์เนื่องด้วยมือของพวกท่านเองทําเอาไว้เห็นอย่างครับทําไมเอาลองพูดอย่างนี้ล่ะให้สํานึกตัวงะ่ะ ฟรีมือคุณมานอนเนี่ยฟรีมือหมดเลยเนี่ยมีโรงงานมีรถแล้วขับกันนุมหัวไม่เคยบันสามสี่คันน่ะเดี๋ยวอาขึ้นรถก็กล่าวไม่เป็นแล้วมีทําไมอ่ะมีเพื่อความอะไเพื่อความอะไรเพื่อควา ม, อ, อ, วามอารม์มันจะพูดกับผู้แอ n g e l นะมีเพื่อความไวุ้นความวิบัติในโลกอาเซียหมดเลย เราให้ให้ให้ให้มากแต่ขอคุณเราไม่เปไหนแต่นี้เวลามีปัญหาเดือดร้อนเข้ามาเพราะน้ามือของเขาทําเองอิซาหุมยาโกนูตเมื่อนั้นจงดูเถิดพวกเขาทอถอยอุลมามะอธิบายนะครับว่าทอถ อ, ถอยอย่างไรอย่างนี้หมดหวังแล้วก็อียร์ยาดเดออีอีอีอุออออลาอีท่านหนึ่งแปลว่าไม่ยอมลูกขอโทษตนต่อล l l a h มีมุซีบาแบบนี้นะ่ยแทนที่จะลูกกระโทษตนต่ออัลลอฮ์เตาบาตัวต่ออัลลอฮ์ทำไม่เป็นเพราะไม่มีใครมาสอนเขาไม่มีใครมาแนะนำเขาเนี่ยบางคนก็เริ่มดานายกเอาเห็นไหมนี่หมดท่าเลยใช่กาก็ด่ากนนั้นด่ากันนี้ด่า ก, ก็ทมด้วยทําไมล่ะท่านไม่จัดการเห็นไหมแต่มุเมนไม่เคยด่าใครครับ มเมนเวลามีปัญหาเดือดร้อนเข้ามาทำอะไรก่อนสบัดอ่าสบัดมีรางวัลไหมอัลลอฮ์อักล่าข้อที่สองดุอาขอดุอาอัลลอฮ์จะอยากให้ฝุ่ละออนี่มาประสบกับตัวฉันแล้วครอบครูวาฉันขอดุอาเห็นยังครับแล้วก็เขาต้องนึกฉันเนี่ยทำอะไรผิดหรือเปล่าฉันได้ตาบ้าตัวต่วตวอหร ความชั่วที่ฉันทำอยู่ถอนตัวออกจากความชั่วนั้นก่อนฉันจะไม่กลับไปทำแบบเดิมเพื่อให้มีสม o มีควันนี่เกิดขึ้นต้องนึกตรงนี้ครับฉะนั้นมุมินเวลาได้รับความ เ, เดือดร้อนเนี่ยเขาทำตั้งห้าหรายการนะหนึ่งขอดุอาสองอดทนสามตาบาตัสี่ถอนตัวออกจากความชั่วหันไปหาอรรอมากขึ้นเห็นอย่างครับ แต่คนกาเฟสทําเรื่องเดียวคุณอ่านอธิบายยังไงเวลาได้รับความเดือดร้อนมาท้อแท้ใจแถมยังด่าทอเนี่เห็นไหมแตกต่างกันชีวิตคนกาเฟสกับชีวิตมุเมนแตกต่างอย่างกระสิ้นเชิญโอโ๋อเหรอทำในระดีได้ไม่ดีนี่ชีวิตเราเนี่ยฉะนั้นเราต้องโยงกับใครนะโยงกับอัลลอฮฺเยอะๆทำมีปัญหาเกิดขึนนน้นอัลลอฮฺว่านะเป็นฝี ม, มือเองนัละทําไว้แล้วเป็นยังไงต้องตบตาตัวแล้ว โรงงานมีให้มาจะปิดก่อ น, นมั้งหากาจัการอื่นทําดีกว่ามัม้งต้องนึกเยอะ น, ะนี่ยจกกูนอ่านสอนเรื่องชีวิตของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและชีวิตของคนที่ไม่เอ า, าศาสนาอยู่อย่างนี้อัลลอฮฺอาทีนี้คําว่าฟารีฮูไปว่าอะไรนะดีใจดีใจเนี่ยมีสองสองอย่างนะครับคําว่าดีใจมีสองอย่างนะดีใจแบบกอรูณ อัลลอฮ์พอใจไหมอัลลอฮ์ให้ริสกีให้แกกอรูนเป็นญาติของนบีมูซาสมัยเดียวกับฟาโรกับฮามานอัลลอฮ์เก็บเหล้าโมเลนังกับอิเควรานกอรูนเป็นตัวอย่างของคนเลวน่ะเมื่อเวลาอัลลอฮ์ให้ริสกีกว้างขวางมีแค่ลูกกุญแจคนแข็งแรงแต่เต็มว่าเจสิบคนน่ะแบกลูกกุญแจอย่างเดียวน่ะเจ็ดิบคน แต่เป็นไงครับโอ้โหเตะท่าน่าดูเลยและภาษาที่พูดออกไปเนี่ยไม่เคยก้มให้อลัลลอ์เลยสักนิดหนึ่งนี่เป็นเพราะความรู้ของฉันนี่เป็นอะไรนะความสามารถสติปัญญาของฉันได้มาอาลัลลอ์ไม่เกี่ยวแค่ภาษาพูดนึกในใจเนี่ยอลัลลอฮ์รู้เองเนี่ยโอ้ทำตัวเลวเว้ย แล้วก็ขวางใครก่ขวางนาบีมูซาไม่ให้เผยแผ่อิสลามในยุคนั้นแล้วก็แต่งตัวนี่โอบ้มขี่มงขี่ขมา้าประมาณ 40-50 ้าสตัวนะมีขบวนตามเลยนะมนุษย์ประชาชนที่ยืนต้อนรับอยู่ริมถนนอยากจะมีชีวิตแบบกอรูหนนะ่ฉันนะถ้ามีเงินอย่างนี้จะทำตัวอย่างกอรู Allah ส่งนบีมูซ่ามาเป็นแบบมันลืมมูซาแต่ไปเอากอรูณเป็นแบบเห็นยังครับวันนี้มันคือ Allah ส่งมุฮัมมัดมาเป็นแบบลืมนบีแต่เป็นนึกถึงสัตว์ตัวนั้นสัตว์ตัวนี้สัตว์เวลามันจะผสมส่บนบริก้ารเปล่าอเอารูปสัตว์มาใช้แต่ตัวอย่างของนบีมุฮัมมัดสมัยอัลกับมาล้วเป็นไงครับ พออยู่กันแผ่นดินนาเต็มแล้วเป็นไงครับปัญหาเดือดร้อนเต็มไปหมดเลยแผ่นดินไหวเพราะดินนาครับกินเล่าแผ่นดินไหวครับข้างบนมันเลวไปหมดแล้วข้างล่างก็เดือดร้อนนะเห็นย่างครับฉะนั้นใครที่ทิ้งศาสนาในไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามนะเองถูกแน่แต่ในยุคนี้นบีขอดุอากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอย่าเพิ่งลงโทษเหมือนสมัยฟาโรห์สมัยกอรูสมัยมูซานาะ ประวิงเวลาให้เขาเหล่านั้นได้ทาอะไรได้สองข้อได้แก้ตัวได้หันมาเรียนศาสนาแต่ถ้าหากมันไม่หันมาไม่ไม่แก้ตัวสะสมความชั่วให้กับตัวเองเอาหรือไม่เอ า, เอาครับตัวดีกว่ามาหาศาสนาดีกว่านะครับเอาทีนี้ฟาริฮูแปลว่าดีใจเหมือนคล้ายกับเหมือนสาวบ้านนาบี อดัวอดุรรมาเป็นเป็นอะไรนะเ ป, นเป็นแบกไว้แล้วกันดีใจด้วยได้ริสกีด้วยแล้วเป็นไงครับไม่ได้ตะ ก, กับบป๊บเลยยังเข้ามัสยิดทุกวันเหมือนเดิมแต่งตัวคล้ายๆนบีไม่ได้หรูหราไม่ได้ฟุ้งเฟอ้อวันยัยนาอุมัดเป็นเป็นอิหมามนมาซูบโบหไหนนะถูกแทงอะลมไปคนที่ยืนไม่เป็นอิหมามคนที่สองอดุรรมาเป็นเอายืนข้างหลังนบีอะ ยังหลังสซนาอุมารเพรถูกแทงล้มไปท่านกล้าไปเป็ีนอิมามนมาดอีกหนึ่งรากรนั่นเขามีอิสลามเขาไม่ทิ้งอัลลอฮ์เห็นยังครับฟารีฮุพวกเขาดีใจทจ่ไดรู้จั ก, AH. จ ก, กอัลลอฮ์ดีใจที่มีรกฎอีมานหข้อดีใจที่มีรกฎอิสลามอีกหข้อหล่อแอบบัดมีลิซกีกว้างขวางเขาไม่เคยลืมอัลลอฮ์เลยเขาทําตัวกล้าชิดกับอัลลอฮ์สุภาพต่อแล้วสซนาอุมารมาถูกแทงเสแล้ว ถ้าเอาโดรานวินเอาไปเป็นอิหมามแทนอ่านอีกหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งเราก็อัดเป็นสองเระะาก็อัดท่านก็สลบไปนะก็หิ้วท่านกลับไปบ้านพอจำได้สิ่งแรกที่ถามมาถามไงรู้เปล่าฉันนมาอัดครบสองเราก็อัดแล้วอย่างท่านสแสดงหัวใจของเขาโยงกับใครโยงกับเรานี่ถ้าเป็น คนกาเฟสหรือผู้เราทั่วๆไปนี่นะศาสนาไม่เคยมั่นนี่นะก็จะถามว่าใครแทงฉันใช่ไหมทำไมไมาพาฉันไปหาหมอก่อนเอาเลยมาอย่างนี้เลยใช่หรือไม่ใช่แต่สดงตัวรมนออญญานาสนาอุ ม, มาแบไงนะฉันนมาคบหรืออย่างสองรากอัดทั้งก็ทำนำมาต่อก็สลบไปอีกอย่างนี้เป็นต้น นี่เอาชีวิตของสุฮาบะที่ว่าเนี่ยอย่าลืมสุฮบบาบะนบีเป็นบุคคลตัวอย่างของพวกเราในยุคนี้ที่ดีที่สุดนะครับพี่น้องตองลายฉันร้องว่าดีใจมีสองสองอย่างนะรีดีใจที่อัลลอฮ์มัน่นไส้กับดีใจที่อัลลอฮ์พอใจเอาแต่เรื่องอันจากไหนจะเอาแบบอัลลอฮ์มั่นไส้ไหมถ้าก็าเอาระแบบกอรูนเอามาใชา้แบบฟาโรเอามาใชา้แบบฮามานเอามาใชา้ฮามานอัลลอฮ์มั่นไส้ตัวไหนรู้ไหมกาแกฟาฟโรสองคนเนี่ย รับนโยบายของฟาโรมาให้สร้างขอคอยอันนี้ก็สร้างสร้างแล้วก็สอนวิธีด้วยนะรอดเล่าเองนะวิธีขาสร้างขอคอยให้เผาดินให้เป็นอิฐแล้ววันนี้เดินตามใคร <c oughs> เดินตามก้นอานบนเลยพอสร้างเสร็จแล้วสูงมากเลยเท่าไหร่ไม่รู้นะฟาโร่ขึ้นไปพอลงมามาบอกว่าฉันไม่พบพระเจ้าของมูเา รัเสเซียก็เนกันสร้างอพอลโลเนี่ยทิาไลร์เราไม่ทราบนะในตับซีอัอธิบาซาอุนดูนะขึ้นไปพอลงกลับมาฉันไม่พบพระเจ้าอะ่ะภาษาเดียวกันไหมที่ฟารโร่พูดกับรับเสเซียพูดแต่อเมริกาเนี่ยข่าวยังไม่มามันน่าจะพูดแล้วเพี่พูดกันเงียบก็ได้แต่นั่นใครที่มีความคิดแบบฟารโร่เองรอระตัวนะระวังแน่ฉันเล่นงานฉันจริงๆด้วย ดังนั้นดีใจทำไงครับเวลาเราดีใจเนี่ยต้องสู้อยู่ตลลอดก่อนนี่ฮัมดุลิล้วอิเเวาะจากนั้นนะสรอห์มะตัมฟาริฮูบิฮะและเมื่อเราได้ให้มนุษย์ได้ริมรสความเมตตาฟาริฮูบิฮะเขาดีใจอย่างเดียว <c oughs> เห็นยังครับ ฉะนั้นอย่าเดินตามอายานี้นะนี่อายุเล่าสีฝ่ายของคนกาเฟลแค่ดีใจอย่างเดียวพอไหมไม่พอครับมุมินต้องอะไรโอ<ฮ>้ต้องชุกรต่ออัลลอฮ์ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ต้องเข้าหาอัลลอฮ์ถ้ามีเงินกับบริจาคเพิ่มขึ้นมาสุราเพิ่มขึ้นต้องทําความดีเพิ่มขึ้นตอบ้าเพิ่มขึ้นโอรออักบัดว่าอินตูเซบะฮุมไซยีอตุบิมะกัดจามัดไอดีหิม แต่เมื่อความทุกข์ไซยห์มาถึงความทุกข์มาประสบกับพวกเขาแล้วนั้นเพราะนํำมือของพวกเขาได้ประกอบเอาไว้ก่อนหน้านี่แล้วอ้ยังครับยกตัวอย่างฝุนเนี่ยเข้าใจง่ายเลยห้มตัิละเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นอิซาฮุมยากนูตนูเขาทำอะไรครับหมดหวังท้อแท้ อัลลอฮ์มาองการตรงนี้อัลลอฮ์ให้ตองการอะไรครับเต้าบ้าตัวซะสารภาพผิดตอ่ออัลลอฮ์ซะหันมาหาอัลลอฮ์ซะเพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของโลกบบนี้แต่เป็นงคนเดียวอัลลอฮ์เด็กอ่านสอนกายสอนมุสลิมสอนนบีมุฮัมมัดสอนอ่านคุณอ่านเองอย่าทำตัวแบบคนกาแฟ น, นะทําแค่นี้ไม่พอแค่ท้อใจอย่างเดียวพอไหมไม่พอตัวอะไรครับสอบบัดเราขอดูอาต่ออัลลอฮ์ต้า บ, บ้าตัวต่ออัลลอฮ์ซะเข้าหาอัลลอฮ์ซะโอโ้เห็นอย่างครับ รอดิชีวิตนะแล้วก็ฟ า, ฟ า, ฟาริอบว่า ด, ดีใจใช่ไหมย่าดีใจแบบคล้ายแบบฟาโรย่าดีใจแบบกอรุนแล้วก็อย่าดีใจแบบฮามานนาทีพี่ต้นนะครับยังมีอีกหนาทีพี่น้องครับตอนนี้กูอ่านหมดยังเนี่ยหมดใช่ไหมอธิบายอย่างนี้พี่น้องครับเอ่อ ใครที่ม่อยู่ในศาสนาอิสลามเนี่ยนะนี่ส่งเสริมให้ทำความดีนะเมื่อท่านต้องการที่จะให้มีชีวิตชีวาที่มีความสุขตลอดไปซาดะานะท่านต้องนมาดในเวลาอย่าให้ขาดชีวิตของท่านจะมีซาดะนี่จากขันยิสทั้งหมดเนยนะข้อที่สองถ้าต้องการให้สุขภาพแข็งแรงให้ทำไงรู้เปล่าให้ออกกาลังกายไม่ใช่ ให้ถือสิ้อดไอ้กําลังกายก็ออกไปต า, ามธรรมชาติช่วงนี้อย่าวิ่งเยอะนะควรจะปิดจมูกด้วยนะแล้วต้องปกป้งองอาจักรับรดิน้อยถ้าต้องการจะให้สุขภาพแข็งแรงถือสิ้นอดเรื่องที่สถ้าต้องการจะให้ใบหน้ามีมีรัศมีนูด ร, รัศมีที่ใบหน้าทําไงรู้ไหมให้ลุกขึ้นนมาตะหัดหยุด ให้ตื่นก่อนอาจารย์สุบโบษักเท่าไรหนึ่งชั่วโมงพอแล้วขอทวาพี่น้อง้าไมขอตื่นไหวมะท <c oughs> าไม่ได้เนียดเอาไว้ก่อนนอนตื่นไม่ไหวครับอานารยฝึกอายุเท่าไหร่หกสิบแล้วนมาจา้า <c> ง <oughs> ต่อมาครับเรื่องที่สี่ถ้าหาต้องการจะให้หัวใจนอบน้อมถ่อมตนให้อ่านกุอ่านเยอะ อัลลอฮ์นี่เขสรุปให้นะขอบคุณอัลลอ์นะทางุลนล้ต่อมาข้อที่ห้าต้องการที่จะขจัดความเสียใจอัลลอฮทุกคนเวลาถูกตาหนิมาด่ามาก็เสียใจอยู่ในห้องคนเดียวน่ะนะให้ว่าอย่างงี้ أستغفر ا อ ل ه أستغفر الله أ س อ غ ف ر الله أ س ت غ นผม อางอด็กอื่นมาอธิบายนะอัสตัค ฟ, ฟิรุลลอฮฺวะตุบะอัลเาะยินนักอันตะตะวะบุลกฟูลถ้าจะให้ขจัดความเสียใจเอาต่อมาครับถ้าต้องการจะให้ขจัดความวิตกกังวลให้ทํำไงครับให้ขอดรอาเยอะๆอย่างเงี้ยวิตกว่าลูกเราจะเป็นอะไรนะพบกระฝุน ล, ละอองอัลลอฮฺจะอย่ า, าให้ฝุน ล, ละอองมาเป็นอันตรายในครอบครัวเรา ต้องขอนุอายเยอะๆเอะต่อมาครับถ้าต้องการที่จะให้ขจัดความรุนแรงปัญหาเดรรอนมาในในตัวเราเนี่ยให้กล่าวคาว่าลาฮาละวลาคูวะจัยละบิลอลัลลอฮฺอัลลอฮนี่ดีหมดเลยนะข้อสุดทา้ายข้อแปดถ้าหาท่านต้องการบราระกัดกับชีวิตของท่านกับลูกของท่านกับเงินของท่าน บารักาดนะให้กับใครนะลูกให้กับตัวเองให้กับทรัย์สินให้ทำไงรือเปล่าให้ซอลลัลลอนบีเยอะๆอัลลอฮฺมุสลิมลอมุ a m a d วะลลาอฺมุ h a m a d นี่ฉบับฉบับย่อนะฉบับเต็มก็อัลลอฮฺมุสลิมลลอมุ hammad วะลาอมุ a m um m a d ก็มัลัลลาอิบรฮมวะลลาอฺอิบราฮิมอินนักฮามดุลมอัลลอฮมบาริกลลอมุ ว่าละอัลีมุ h a a d ก็มาบารักกาละอิบรอฮิมาละอัลีอิบรอฮินนักฮามิดุมฉบับเต็มแต่าให้นตระนตชั่วาฉบเยอก็อัลลอฮมุสลลมุฮัมมัดมาะอัลีมุฮัมมัดให้ก่าวเยอะสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้อะไรบารกาตความเจริญกับชีวิตของเรากับลูกของเรากับครนะกับทรัพย์สินของเราดีหรือไม่ดีอเมร์ นั่นชีวิตที่โยมกับสาสนาอัลลอ์คุ้มครองหมดเลยนะครับตัวลองว่าเมื่อเวลามี ม, มีมีมุสีบามาทำไงครับหนึ่งให้ขอด้อา 2. สองให้สำนึกผิดสามให้ตะบ้าตัวสี่ให้ถอนตัวออกจากความชั่วห้าอย่าหันกลับไปทำความชั่วเหมือนเดิมให้ทำความดีเพิ่มขึ้นมัสยิดพยารักษายามาอาที่มัสยิดนอกจากป่วยกลัวฝนตกสามอยา่างนะครับ سبحانك الله وما بحمدك شو لا إلَه إلَّا أنت أستغفرك ت و ب